ร่วมจัดทำโดยวิชยาดามุงวิชาครอบครัวนิติสรวุธครอบครัวทรงพลครอบครัวธัญโกเศสศุขสุเมธมาสโสภากฤษณาพโลปกรณพนอมรักเพชเสถียนเข็นทองโภคาพาณิชอริยะพันธสิทธิ์ร่วมกับอีกหลายท่านฟังรายชื่อได้จากท้ายเรื่องนะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพร่วมและท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับสัพพะธนังธรรมานังชินาติการให้ธรรมะ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 แห่งดอยแม่ปังเชียงใหม่หลวงปู่ฟ้านอาจาโรแห่งวัดอุดมสมพรสกลนครหลวงปู่เทศเทสะรังสีวัดหินหมักเป้งจังหวัดน้องคายหลวงปู่อ่อนญานสิริวัดหนองบัวบานอุดรธานีหลวงปู่ขาวอนลโยวัดถ้ำกลองเพนอุดรธานีพระอาจารย์มหาบัวยัณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีหลวงปู่บุญมาทิตาเปโม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 ผมจึงขอสละชีวิตเพื่อการทำสมาธิอย่างยิ่งยวดตาพขาวุงได้อยู่ปฏิบัติกับท่านอาจารย์กงมาอยู่เป็นเวลาหลายปีเป็นผู้เคร่งครัดอยู่ในพระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่งจนวาระสุดท้ายของชีวิตในวันหนึ่งตาพขาวุงนางสมาธิอยู่ภายในกรดเป็นเวลาสองวันไม่ออกมา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 ความเป็นมาในวันนี้ท่านเดินนำไปเล่าถวายท่านอาจารย์มั่นได้รับการยกย่องสรนเสริญในถ้ำกลางพระสงฆ์ทั้งหลายที่มาประชุมกันและได้พูดว่าท่านกงมานี่สำคัญนักแม้จะเป็นพระที่มาใหม่แต่บารมีแก่กล้ามากทำความเพียรหาตัวจับยากสูญเสียสละให้ยุงกินได้ตลอดคืนควรจะเป็นตัวอย่างแก่ผู้ตั้งใจปฏิบัติทั้งหลายและท่านอาจารย์มั่น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 ทางนี้เพื่อจะได้สอนญาติโยมตามรายทางด้วยการสอนนั้นก็เน้นหนักไปทางกรมรมฐานและการถึงพระไตรัยสระคมที่ให้ละการนับถือพูดผีปีศา ต, ต่างๆน า, นานาเป็นการทดลองคณาสิทธิ์ไปในตัวด้วยว่าองค์ใดจะมีฝีมือในการเผยพระธรรมในการเดินทางนั้นพอถึงวันอุโบสถก็จะนัดทำปาติโม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 ชศกราช2484ในปีนี้ท่านอาจารย์กงมาท่านได้ทราบข่าวว่าท่านอาจารย์มั่นภุริทตะเทระได้กลับจากเชียงใหม่หลังจากที่ได้อยู่เป็นเวลานา น, านถึง12ปีเพราะท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโลไปนิมนต์ให้มาโปรดญาติโยมทางจังหวัดอุดรธานีและได้อยู่ที่จังหวัดนี้3ปีแล้วจึงไปจังหวัดสกล น, นครได้ไปพักอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่ง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 ข้าพเจ้าก็ไม่ได้สทกสถานเพราะพวกเรามีสมบัติอยู่แต่เพียงตะบาดใบเดียวจีวรครองอยู่เท่านั้นก็จึงได้เริ่มออกเดินทางเดือนเมษายนพุทธศักราช2484มันเป็นระยะเวลาพอดีเอาซี่จริงๆเพราะปีนี้มาอยู่วัดจันทบุรีวัดทรายงามเป็นวัดแรกก็เดือนเมษายนเวลาจะจากไปก็เดือนเมษายน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 เรารีบเดินทางไปเถิดได้เริ่มเดินทางโดยเท้าทุดงออกจากวัดทายงามวันที่18เมษายนสอง4เวลา10บนาิกา20นาทีไปสู่อำเภอมะขามอันเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีท่านอาจารย์กงมาได้พูดกับข้าพเจ้าว่าเราตัวเป ล, ล่าเปล่าหมดภาระสบายจริงและได้พักอยู่อำเภอมะขามนี้หนึ่งคืน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 เดินมาถึงที่นี่ก็ค่ำแล้วก็แวะพักที่ใต้โขนต้นไม้พอที่จะเป็นสถานทำความเพียรสงบสงัดข้าพเจ้ากางกรดปูที่นอนกับดินเพียงแต่เอาผ้าอาบน้ำปูถวายใช้เท้าบาดเป็นหมอนตามมีตามได้และคอยนั่งเฝ้าปฏิบัติท่านตลอดเวลาท่านก็นให้โอวาดแก่ข้าพเจ้าเช่นเคยได้บอกว่าวิริยัง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 เราก็เป็นพระแขกก็ต้องปล่อยตามเรื่องไปตอนเข้าเขตขเมนบ่อภัยลินการเดินทางวันนี้ด้วยความประสงค์จะให้ถึงบ่อภัยลินอันเป็นแดนเมรซึ่งขณะนั้นเป็นของไทย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 ใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงคณะญาติโยมชาวกุหลาก็ขอให้พักอยู่อีกท่านอาจารย์ก็ไม่ขัดข้องแต่ก็เหมือนเดิมวัดใหญ่ๆไม่มีพระสักองเดียวท่านอาจารย์ก็พาข้าพเจ้าพักอยู่นี้อีกโดยพวกกุลาทั้งหลายได้พากันมาทําความสะอาดคนขี้คัง้งขาวกันเป็นเวลาตั้งหลายชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พักในวัดนี้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 ประวัติบ่อไพลินไพลินเป็นชื่อพลอยเป็นพลอยที่มีค่ามากเทียบเท่ามรากตมีสีเขียวเขาเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกพวกเขานำอพ่ามาขายแต่เดิมเป็นที่อยู่ของชาวเขมรเขาเอาผ้ามาขายเป็นเวลาหลายปีมีหลายพวกด้วยกันจนเป็นที่ชินหูว่าอุลาขายผ้าเหมือนแขกขายผ้าบ้านเรา ในวันหนึ่งมีคณะกุลาขายผ้านำออกผ้าไปขายแล้วก็ขอพักอยู่กับในบ้านกับชาวเขมรชาวเขมรได้เอาหมากลูบุรีมาเลี้ยงเป็นการต้อนรับขณะนั้นชาวกุลาได้เหลือไปเห็นหินเป็นก้อนๆสีเขียววางอยู่ในเช่นหมากจึงหยิบมาดูก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นพลอยที่มีค่ามากจึงพูดกับชาวเขมรว่าอันหินอย่างนี้มีที่ไหนบ้าง ชาวขเขมรบอกว่ามีถมไปกุลาจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอให้หามาให้ทีเราจะให้ผ้าทั้งหมดที่เอามาขเขมรดีใจใหญ่ไปขนพลอยไพลินมาแลกกับผ้าจนกุลามีเงินเท่าไหร่ก็รางวัลให้ขเขมรหมดได้พลอยไพลินจำนวนมากกลับบ้านแล้วขายพลอยเหล่านั้นหมดจนได้เป็นเศรษฐีอยู่ที่มะละแมงจนปัจจุบันนี้ร้นชาวกุลารู้เหตุเช่นนี้ ก็มากันเป็นการใหญ่มาขุดพลอยจนร่ำรวยหมู่แล้วหมู่เล่าแล้วก็กลับไปแล้วหมู่ใหม่ก็มาจนถึงปัจจุบันจึงพากันมาตั้งโรครากอยู่กันอย่างหนาแน่นนี่เป็นประวัติของหมู่บ้านนี้ข้าพระเจ้าได้สังเกตดูชาวบ้านกุลาเป็นคนที่มีฐานะดีทั้งนั้นชาวขเขมรฐานะต่าต้อยมากทั้งนี้เนื่องจากอะไรไม่ทราบเมื่อเขาเล่าประวัติจบ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 เช่นเดียวกับพวกขเขมรที่เอาพลอยอย่างดีแลกแต่เสื้อผ้าเท่านั้นเองคนมีปัญญาก็สามารถปฏิบัติตัวของเราให้เห็นอัตธรรมได้ตัวเธอจงเข้าใจเถอะถ้าทําตัวโง่ก็มีของดีเสียเปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรนางเฝ้านอนเฝ้าศาสนาแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรส่วนผู้มีปัญญาย่อมหาประโยชน์จากตัวของเราได้เหมือนเรื่องของประวัติบ่อภัยลินชาวขเขมรกับชาวกุหลานั่นเอง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 เรามาพากันออกจากที่นี่วันพรุ่งนี้เถอะข้าพเจ้าได้ทัดทานท่านไว้ว่าท่านอาจารย์ครับผมเห็นเขาศรัทธาดีจริงๆอ่อนน้อมไรต่อการปฏิบัติท่านอาจารย์แนะเขาอย่างไรเขาก็มีคัดข้องเลยอยู่โปรดเข้าไปอีกสักภาคหนึ่งเถอะท่านขู่ข้าพเจ้าว่าวิริย์ยังตัวเธอเนี่ยยังอ่อนต่อความเป็นสงฆ์นักเห็นความดีของเขาเพียงเท่านี้ก็หลง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 ข้าพเจ้ายังจําภาพนั้นแม้มันจะล่วงเลยมาหลายสิบปีก็ไม่มีเลือนลางเลยการเดินทางได้เดินต่อมาจนถึงชาญเมืองพระตะบองเป็นหมู่บ้านใหญ่พอสมควรคราวนี้ถึงเมืองขเมียนจริงๆแล้วพูดไทยไม่รู้เรื่องเลยท่านอาจารย์พาข้าพเจ้าไปพักที่วัดแห่งหนึ่งเข้าไปหาสมพานในวัดนั้นเมื่อไปกราบท่าน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 เพียง5นาทีเท่านั้นเองต๋องพานก็ให้คนจัดห้องรับรองให้เป็นอย่างดีข้าพเจ้านึกในใจว่าภาษาใี่สำคัญแท้มันเป็นความจำเป็นเลิกเกินที่เราต้องรู้ภาษาลหลายๆภาษาท่านอาจารย์พาข้าพเจ้าพักอยู่ในวัดนี้แล้วตอนเช้าออกบิณฑบาตเช้าเขมรมาใส่บาตรเขาไม่เคยเห็นบาตรใหญ่และสวยอย่างนี้มาก่อน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 ก็เข้าสู่เขตอรัญญาประเทศเริ่มการเดินทุดงสแสวงหาที่สงบจากบำเพ็ญกรรมฐานกันต่อไปเดินไปได้ไปพบสลาวรางมีอยู่สองถึงสมหลังข้างข้างป่าท่านอาจารย์ก็ตกลงใจยึดเอาที่นี้เป็นที่พักพอเข้าไปถึงก็ได้กลิ่นไม่สู้ดีท่านก็พาเข้าไปจนขึ้นข้างบนจึงเห็นอุจระญี่ปุนเพราะเป็นข้าญ่ปุลเพิ่งจะออกจากไป พวกเราต้องช่วยกันล้างอุจระเหล่านั้นหมดก็พักภาวนาอยู่ที่นี่ถือเอาว่าเป็นศูนยาคารค่ำคืนวันนี้ข้าพเจ้าก็ถวายการนวดแด่พระอาจารย์ของข้าพเจ้าตามปกติข้าพเจ้าใคร่ขอกล่าวเตือนบรรดาศิษย์ทั้งหลายของพระอาจารย์ทั้งหลายว่าการปฏิบัติอาจารย์โดยการนวดเฟนนี้เราควรจะทำเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าเราไม่กลัวอาจารย์จนเกินไปแล้ว เราจะได้ถามอัฏฐปัญหาและได้รับการแนะนำเป็นพิเศษแม้ในวันนี้อีกเช่นเดียวกันข้าพเจ้าก็ได้รับความรู้ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งว่าของสกปรกอย่าดูถูกของดีย่อมมาจากของสกปรกพระอริยเจ้าถ้าไม่ได้รับรสของสกปรกแล้วท่านจะเป็นพระอริยเจ้าไปไม่ได้เลยท่านอาจารย์โกงมาท่านได้เสริมขึ้นอีกว่า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 ท่านอาจารย์ก็พาข้าพเจ้าเดินทุดงต่อตอนนี้มีความประสงค์ที่จะเดินตัดตรงขึ้นจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ถือเป็นที่เดินทางระยะยาวมากถึง48กิโลเมตรใช้เวลาเดิน10ชั่วโมงซึ่งเป็นทางธุระกันดานมากระหว่างทางหาน้ำชันไม่มีเลยแต่อาจารย์บอกว่าถ้าจะให้เดินทนอย่าฉั้นน้าข้าพเจ้าก็เชื่อ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 ข้าพเจ้าจึงรีบออกไปเดินหาน้ำตามบริเวณนั้นโดยทั่วๆก็ได้พบหนองน้ำเล็กๆแห่งหนึ่งเป็นปลักควายอุจระควายเต็มทั้งหนองแต่มันนอนก้นหมดน้ำข้างบนใสดีรีบกลับมาบอกอาจารย์ว่าน้ำมีแต่เป็นปลักควายมีอุจระเต็มไปหมดท่านบอกว่าไม่เป็นไรเอามาเถอะข้าพเจ้าคิดในใจว่า อย่างไรเสียท่านอาจารย์คงหิวเอามากมากทีเดียวนึกติตัวเองว่าดื่มน้ำในกระติกคนเดียวหมดไม่น่าเลยแล้วทำให้ล้าด้วยแล้วข้าพเจ้าก็นำเอาธรรมกะรกคือกระบอกกรองน้ำของพระไปกรองน้ำเอาที่หนองปลักควายนั้นด้วยความบรรจงกรองกลอุจจารควายที่เป็นตะกรนจะฟุ้งขึ้นได้น้าแล้วรีบนามาถวายรู้สึกกลิ่นตื่อท่านอาจารย์ก็ฉันอย่างสบาย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 เวลาจิตเป็นสมาธิแล้วก็ให้พิจารณาอย่างนี้จะทำให้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นสัจธรรมได้วันนั้นรู้สึกว่าถูกทรมานเป็นพิเศษหลังจากจำวัดตื่นขึ้นมาชาบ้านจึงพากันมาเห็นต่างก็ส่งเสียงกันระเบงเสง่แซ่ได้เวลาท่านอาจารย์ก็พาข้าพเจ้าออกบินธบาติชาวบ้านก็ใส่บาตรให้แต่ข้าวปล่ า, ลาและมีน้ำอ้อยงบสี่ห้าอัน เข้าใจว่าเขาคงเข้าใจว่าพระธุดงไม่ชันของข่าวมีนสัตว์เป็นต้นกลับจากบินทะบาดนั่งชันกันใต้โคนต้นไม้ไม่มีใครมาดูแลหรือสรงอาหารเพิ่มเติมเลยก็ได้ชันข้าวกับน้ำอ้อยดูอัเถอเดินมาเหนื่อยแทบแย่เช้ายังได้ชันข้าวเปล่าๆข้าพเจ้าต้องเอาน้ำฉันเพื่อการฝืดคอเวลากลืนคำข้าวแต่ก็เป็นสุขใจดี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 เมื่อพักอยู่จังหวัดอุดรธานีประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็เดินทางต่อไปจังหวัดสกลนครอันเป็นจุดหมายปลายทางและเป็นจุดประสงค์อย่างยิ่งในการเดินธุดงอันแสนจตุรักกันดาในครั้งนี้ข้าพเจ้ามีจิตใจเบิกบานผิดกว่าการเดินทางไปที่ไหนไหนทั้งหมดในวันนี้เพราะมาถึงจังหวัดสกลนครทั้งทราบว่าท่านอาจารย์มั่นได้มาพักอยู่ในจังหวัดนี้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 คล้ายกับจะพึงได้เห็นพระอาหารหันต์ก็ปานกันนึกไปก็กระหิมในใจอยากจะพบหน้าท่านอาจารย์มั่นเสียโดยพลันวันและเวลาช่างยาวนานเสียละเกินมากกว่าที่ข้าพเจ้าเดินทางมาเป็นเวลาสามเดือนเสเสียอีกกับช่วงห้าวันที่อยู่วัดสุทธาวาสเหมือนกับจะทวงเวลาหิวกระหายให้เยิ่นเยอข้าพเจ้าดีใจอีกครั้งหนึ่งเมื่อเช้าวันหนึ่ง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 เมื่อต่างก็มองหน้ามองตากันไปกันมาพอสมควรเวลาอนันระทึกใจก็มาถึงนั่นคือเสียงพรมมาจาโลกาอารัตนาเทศโยงข้ออารัธนาแล้วผู้เขียนบอกท่านอาจารย์มหาบัวแต่ดูรู้สึกว่าท่านมีความมั่นใจอยู่ไม่น้อยทีเดียวได้ก้าวขึ้นธรร ม, มาทอยังไงยังไงพี่กลนเหมือนกับจะอุทรอะไรออกมาจากใจสักอย่างอย่างนั้นแหละแต่จะไปอุธรกับใครเมื่อขึ้นธรร ม, มาท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 การปฏิบัติกิจวัตรด้วยการอุปถากดรือการใกล้ชิดนั้นนับแต่การปูที่นอนการกรดซักผ้าเทกระโถนล้างบาทรับบาทปูอาสนะอันผักตาห ม, มากชงชานั่งคอยรับใช้ถวายน้ำวุ้นปากไม้สีฟันจนถึงการบีบนวดผู้เขียนได้บันจงปฏิบัติท่านด้วยเคารพเป็นอย่างสูงสุดพยายามทำให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่วายที่จะเกิดความบุพร่องขึ้น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 แต่ก็นึกต่อไปว่าท่านให้ความรักใคร่เอ็นดูข้าพเจ้าเป็นกรณีพิเศษจึงได้ให้ในัยาะแก่ผู้เขียนซึ่งผู้เขียนก็ยังได้จำและจารึกอยู่ในใจว่าท่านก็ประสงค์จะทรมารและฝึกสอนต่อเติมความรู้ให้ผู้เขียนด้วยความเมตตาปรานีจึงเป็นอนววาผู้เขียนได้กลับไปลาพระอาจารย์กรงมา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 หมายเหตุผู้อ่านขอเสริมสักนิดนะครับเพราะเรื่องนี้จะเป็นปัญหากับคนรุ่นใหม่และคนที่ไม่มีเวลาศึกษาธรรมะในระดับลึกได้นะครับการกระทําบางอย่างของพระอาราหันต์นั้นสากแต่ว่าเป็นกิริยาไม่ถือว่าเป็นกรรมกรณีการสู่บุหรี่ของครูบาอาจารย์ในอดีตนั้นควรพิจารณาให้ดีให้ละเอียดก่อนด้วยนะครับและถ้าวาสนาปัญญาบารมีไม่เท่าท่านก็อย่าได้คิดว่าจะทําตามท่านได้ทุกอย่าง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 ว่าเป็นเรื่องของจริตวาสนาและสักว่าเป็นแค่กิริยาไม่มีจตนาไม่เป็นกรรมถือว่าไม่ผิดนะครับผู้จะเชื่อหรือไม่เชื่อต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนจะกลายเป็นการปราโมายพระอริยะหรือกระทาตามแบบผิดๆจนส่งผลเสียหายต่อตอนเองในภายหน้าได้อย่างมากจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับสาหรับในกรณีพระหนุ่มเนียนน้อยที่คิดจะทาตามครูบาอาจารย์ในอดีต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 เป็นผู้ช่วยเหลือบริขารและเป็นกัปิยะการกไปในตัวด้วยกัปิยะการกหรือกัปิยะการรกะคือผู้ปฏิบัติภิกษุในเรื่องปัจจัยสีผู้ทาของให้สมควรมีการหลายอย่างที่พระทำเองไม่ได้เช่นก่อไฟหุงต้มอาหารจับเงินทองต้องให้ลูกศิษย์ทำให้เป็นกัปิยะการกหรือกัปิยะการรกะ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 นักปฏิบัติกรรมฐานหรือพวกที่ทาสมาธิภาวนาคุยอวดตัวอวดตนถือมานฑิทิว่าดีกว่าผู้อื่นเข้าใจตัวเองผิดทาสมาธิเพื่อโอ้อวดแข่งดีทาสมาธิเพื่ออุบายกะโลบายต่างๆนานาผู้เขียนตอบว่าเคยเห็นครับรู้สึกว่าพวกเราก็มีท่านพูดว่าก็นั่นสิทำอย่างไรจึงจะรู้ถึงว่าไม่เอาจริงเอาจัง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 แม้คำพูดและคำให้โอวาทของพระอาจารย์มั่นที่ท่านแสดงออกมานั้นมีข้อความเน้นหนักไปในทางให้รักษาข้อปฏิบัติปฏิปทาเดิมทั้งสิน้นและแสดงเพื่อให้อาจหานเชื่อมั่นในข้อปฏิบัติที่ได้กระทำมาแล้วนั้นถูกต้องแล้วนี่เองผู้เขียนเห็นว่าการทาศพที่มีประโยชน์เพราะการจะมาประชุมเช่นนี้นานนัก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 อาจารย์สมัยก่อนเก็บงามซ่อนเงื่อนเอาไว้สําหรับดัดสันดาลลูกศิษย์เช่นวิชาอาคมอะไรต่างให้แก่ศิษย์ก็ไม่สอนหมดเหลือตอนสําคัญเอาไว้เผื่อลูกศิษย์มันคิดล้างครูลูกมีรู้คุนพ่อมันจะได้เอาดัดสันดาลการกระทําอะไรต่างๆแม้ในปัจจุบันที่พวกประเทศต่อยพัฒนาทั้งหลายไปร่ําเรียนวิชาการสมัยใหม่ทุกๆสาขาอันเป็นวิชาการสําคัญ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 ครอบครัวปรกรเกษตรครอบครัวทองไผโรดคุณแม่ปราณีนภัทรลุงจิติมาเดช อ, อภิรัตคราส์ปฐมฤกษ์เสนทองพิชคณิตอุทัยวัฒนาเกิรินเรืองชาวลีมาวดวีปั้นงามอัมพรกลิ่นสีสุขวิไลวันกุลเพิ่มทวีรัตอังศนาบุญกเกษมวรพันธ์ชัยพันธ์ปราณีวังเบญจสุขีวรวุฒิสุนทร琅สายจันเพนกระจ่างพัน์